ยาซีเรียเรื่องเรื่องของจมูกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อมีการสร้างโลกเกิดขึ้นใหม่ ทุกๆคนต่างสแสวงหาที่อยู่ของตนให้เป็นที่เหมาะสมแม้แต่จมูกก็ยังได้ไปหาพระอินเพื่อกราบทูลขอบางสิ่งบางอย่างจมูกทูลพระอินว่าท่านพระอินผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์วันนี้กล่าวกระหม่อมมีเรื่องเดือดร้อนที่จะกราบทูลให้ช่วยเหลือกระหม่อมต้องการที่อยู่ใหม่ให้เหมาะสมเะคะ พระอินถามว่าเอา้าว่าไปเลยเจ้าจมูกเจ้าต้องการย้ายไปอยู่หน้าที่แห่งหนตําบนใดเล่าข้าพเจ้ามีความต้องการย้ายไปอยู่บนหน้าผากของคนพยะยะค่ะพระอินหัวเราะนาเกลียดเป็นที่สุดหน้าตาของมนุษย์จะเป็นอย่างไรถ้าเอาจมูกไปไว้บนหน้าผาก หน้าตาคงพิลึกกึ่ือเพราะมีจมูกไปแหลมโดอยู่ที่นับผากไม่ได้แน่จมูกยังไม่ละความพยายามถ้าอย่างนั้นขปบไเจ้าขอย้ายไปอยู่ที่ท้ายทอยทางด้านหลังก็ได้พเะคะพระอินหยุดคิดนิดหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าเอะจมูกอยู่ตรงเก่าก็ดีแล้วนี่อยู่ระหว่างตาสองข้าง บนปากสวยดีถ้าไม่มีจมูกหน้าตามนุษย์คงดูไม่ได้หน้าแบนราบหน่าเกลียดมากอ๋อขอถามสักหน่อยว่าทำไมเจ้าจึงอยากไปอยู่ที่อื่นเล่าจมูกตอบว่าเป็นเพราะว่าเวลาเจ้าปากมันพูดไม่ดีคนเขาตบปากมาจะมาโดนจมูกข้าพเจ้าก่อนเะคะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการกระทาไม่ดีของคนหนึ่งอาจส่งผลกระทบไปยังคนข้างเคียงให้เดือดร้อนได้โดยเฉพาะคำพูดจึงมีคติธรรมฝากไว้ว่าจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงให้มึงกู คนจะลู่ล่วงลามไม่ขามใจแม้จะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปากร้ายพูดจาอัจาสัยซื้อก็ง่ายขายก็ดีมีกำไรด้วยเขาไม่เครื่องคิดจิตระอาเป็นมนุษย์สุดดีก็ที่ปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา แม้พูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ